วันนี้เป็นวันพระ8ดค่ำขึ้น8ดค่ำเดือน9เมื่อกี้ในเดือน8ดดับฉันไ้นขึ้นเดือน9ขึ้น8ดค่ำเพราะนั้นพวกเราทุกท่านที่เคยสมาทานศีลบโบสถในพรรษาก็ย่าให้ขาดตกบกพร่องให้รักษาศีลให้ บริสุทธิ์บริบูรณ์ที่ตั้งจิตใจตั้งจิตตั้งใจเอาไว้ในพรรษาบางคนก็จะรักษาสมาทานสีลห้าตลอดไรมาตสามเดือนบางท่านก็ทุกวัน8ดค่ำสิบห้าค่าแล้วก็รักษาโบสถทุก8ดค่ำสิบห้าค่ำทนั้นใครตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งสัจจะอธิษฐานอะไรเอาไว้ก็จะให้ขาดตกปกพ่องให้ตลอดลอดฟังสามเดือนนะก่อนที่จะรับพรต่อไปนี้หลวงพ่อคณะสงฆ์จะให้พรก่อนที่จะรับพรหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังก่อนเพราะ น, น, นานๆพวกเราจะได้มาพกมาเจอกันวันนี้นับว่าโชควาสนาอำนวย พี่น้องมาจากจังหวัดภูเก็ตพังงาถ้าจะว่าไปก่อนเหนือจดใต้ทีเดียวอีสานจดใต้ว่าไงเถอะไกลมากหลายร้อยกิโลกว่าจะมาถึงที่นี่ได้จากนั่นก็พี่น้องทางจังหวัดสุพรรณสรุปแล้วก็คือพี่น้องมาวันนี้มาจากจา่าตุรทิศมาทั้งหลายแห่งมาเจอมาพบมาเจอกันสรุปแล้วก็คือมาต้องการส ะ, สะแสวงบุญกุศล ไม่ใช่มาเพื่ออย่างอื่นเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่ขึ้นมาทางอีสานกาเพื่อมากลาบองหลวงตาเมื่อวานนี่หลวงพ่อก็ไปในงานวันเกิดของหลวงตาแต่หลวงตาท่านก็ไม่ได้จัดงานวันเกิดนะท่านว่าท่านรู้แล้วรู้รอบขอบชิดแล้ววันเกิดกับวันตายมันก็เหมือนกันนั่นแหละทางานมันจะมีอะไรพิเศษกันพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมา ถึงวันตายก็เหมือนกันถึงวันเกิดก็เหมือนกันไม่เห็นจะสำคัญที่ตรงไหนแต่พวกเราให้ความสำคัญก็คือว่าเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดอ ง, งหลวงตาเป็นวันแม่แห่งชาติวันของพระบรมราชินีมาพบมาเจอ ก, กันกับวันเกิดของหลวงตาเพราะนั้นพวกเราสาศารณกิจชนหรือว่าคนในชาติ ไทยของเราที่รักเคารพในหลวงพระราชนีก็ถือว่าเป็นวันสําคัญวันที่ห้าเป็นวันพ่อแห่งชาติวันที่สิบสองสิงหามเป็นวันแม่แห่งชาติก็เมื่อวานก็เป็นวันเกิดของหลวงตาที่พวกเรารักเคารพนับถือหลวงตาของเราท่านเป็นผู้มีคุณธรรมในทางพุทธศาสนาก็เป็นผู้มีอายุยืนยาว พร้อมหมดทุกอย่างทั้งทางวัยยวุธทั้งคุณวุธอายุของท่าน92ปีเต็มเมื่อวานนีวันนี้ก็ย่างเข้า93ล้ละแต่สุขภาพของท่านก็แข็งแรงนะถ้าดูตามสภาพเมื่อวานนีการเทศนาวาการก็ถึงชั่วโมงนะเมื่อวานนี้นะเทศนาวาการฟังฟังแล้วก็ไพเราะจับใจเด็ดเดี่ยวอาถราน สมที่เป็นผู้นําทางพุทธศาสนาพุทธจักรวรรณะเถอะศาสนาจักรวรรณะเถอะฝ่ายกรรมฐานที่ท่านพูดธรรมเทศนาเมื่อวานนี้สรุปแล้วก็คือให้พระเนนอยู่ในกรอบของศีลธรรมพี่น้องประชาชนขอให้มีศีลธรรมประจําใจสรุปแบบง่ายๆคือสรุปแล้วก็คือให้มีความ อยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขอย่าให้อย่ายึดเนียวทางอื่นให้ยึดเนวศีลธรรมทางว่าคนเราทุกคนมีศีลธรรมอยู่ร่วมกันมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขและจากนั้นก็ท่านให้เน้นหนักพระกรรมฐานอย่าไปมองอย่างอื่นให้มองการประพฤติปฏิบัติให้มองใจตัวเองให้มีให้เน้นหนักเรื่องศีลสมาธิปัญญา อย่าไปเน้นการก่อสร้างที่ท่านพูดเมื่อวานหลวงตานะแต่เห็นกับพี่น้องประชาชนทั้งพระเนนกพระเนนถามพระหลวงพ่อก็มาได้นับนะแต่ท่านที่เคยอยู่ที่นั่นเพราะว่าเคยเห็นพระมาะมากท่านก็บอกว่าพระวันนี้ไม่ต่ำกว่าหกพันเหมือนนะแต่หลวงพ่อก็มาได้นับนะแต่พระที่ท่านอยู่ที่นั่นเท่ากับพระวันนี้ไม่ต่ำกว่าหกพัน แต่พี่น้องประชาชนไม่ต้องพูดถึงเต็มไปหมดเลยเมื่อวานนี้เข้ามาข้างในก็เต็มไปหมดสรุปแล้ว ก, ก็คือมาเมื่อวานก็มาเพื่อน้ําจิตน้ําใจจริงๆมาเพื่อสั่งสมมาเพื่อสาะแสวงหาบุญกุศลเพราะองค์หลวงตาเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคงเส้นคงวามาตลอดถ้าหากว่าใครได้กราบเร่ยว่ยได้สักการบูชาได้ฟังธรรมเทศนา ได้ทำบุญทำทานถึงจะเป็นส่วนน้อยก็เหมือนปลูกหวานข้าวกล้าณลงในนาที่ดียางนั้น่ะ เ, เหมือนข้าวกล้าหวานลงในใ น, นาที่ดีดอกผลก็จะงอกเงยขึ้นมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยตรงกันข้ามกับไปเราไปหวานาที่นาเต็มด้วยหญ้าแฝกหญ้าคาที่พระที่ไม่มีศีลบริสุทธ ถ้าวันเราไปหวานพืชลงในนาเช่นนั้นผลที่งอกเงยก็ไม่ได้เต็มที่ผะนั้นทุกพวกเราทุกคนที่เป็นลูกหลานองค์หลวงตาก็ได้มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอย่างนั้นที่อยากจะมาหวานพืชลงในนาที่ดีคือทําบุญกับองค์หลวงตาจากนั้นก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาขององหลวงตาก็เป็นที่จุใจจากนั้นก็ได เมื่อได้มาแล้วก็ไปตามวัดต่างๆอย่างที่พวกคณะภูเก็ตพังงาขึ้นมาพักที่วัดหลวงพ่อนี่แหละจากวัดป่าบันตาดมากระไกลพอสมควรถนนหนทางก็ยากลำบากหน้าฝนอีกต่างหากถ้าว่าไม่ใจไม่ใช่ใจจริงจริงก็คงจะมาไม่ถึงอันนี้มาด้วยน้ำใจใม ส, สแสวงบุญกุศลได้มาทั้งทีแล้วเออเอา้ามากราบครูบาอาจารย์ ทางสายเหนือหลวงพ่อก็มั่นใจว่าคิดว่าพวกเราคงจะไปกลบับหลวงปู่เหรียนมาหรือจะไปหลวงปู่เหรียญหรือจะมาจากหลวงปู่เหลียญหลวงพ่อก็ยังไม่ได้ถามพอหลวงพ่อก็มาดึกเมื่อคืนนี้พอมาถึงกับพวกคณะก็มาพอดีหลวงพ่อก็มาถึงพอดิพอดีจากนั้นก็ให้ใหพระจัดสถานที่ให้พักผ่อนหลวงพ่อก็ขึ้นไปพักยังไม่ได้พูดได้คุยมาพูดเดี๋ยวนี้แหละว่างั้นกันเพราะนั้นเป็นวันคณะสัตย า, ญญาติโจม มาเยี่ยมวัดต่างๆก็คือเป็นการกราบไหว้ครูบาอาจารย์เป็นการทัศนเทศึกษาพาญาติโยมมาดูครูบาอาจารย์วัดต่างๆที่อยู่ตามภูผาป่ปาดงและก็วัดใหญ่อย่างวัดหลวงตาเพื่อเป็นกำลังเป็นกําลังใจของพวกเราถ้าเราอยู่ตามลําพังพระน้อยสองสามองค์ก็เหมือนกับมีแต่กลุ่มของเราเหมือนกับความอุ่นหน้าำ้าคังด้วยความเป็นผึกแผ่น ในจิตในใจมันก็ลอยหลอ่อแต่บัดนี้พวกเรามาเห็นนาได้มาทัศชนศึกษามาเห็นครูบาอาจารย์หลายท่านหลายองค์เต็มไปหมดว่างั้นเถอะพวกเราก็อุนอวกอุนใจว่าพุทธศาสนาของเรานี่ยไม่ลอยหลอเป็นผึกแผ่นมั่นคงผู้ใดประพฤติปฏิบัติผู้ท่านก็จะรู้ได้รู้จริงเห็นจริง อันนี้ก็คือการพาคณะสัทธาญาติโยมหรือพระเนรที่บวชใหม่เขาไปเห็นครูบาอาจารย์ก็เป็นกําลังใจส่วนหนึ่งอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนั่นแหละและก็วันเมื่อวานนี่เป็นวันแม่แห่งชาติความว่าแม่คำนี้น่ะทุกคนต้องมีแม่มีต้องมีพ่อแม่ถ้าหากว่าไม่มีพ่อแม่พวกเราจะเกิดมาจากที่ใด ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าพวกเราไม่มีพ่อมีแม่เพราะนั้นพ่อแม่เป็นบุคคลสำคัญของลูกๆถึงพวกเราจะให้ความสำคัญหรือไม่ให้ความสำคัญก็ตามคือพ่อแม่เป็นบุคคลสำคัญโดยอัตโนมัติโดยหลักการโดยธรรมชาติเพราะว่าพ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูเรามาถ้าจะว่าไปแล้วแม่เป็นผู้มีพระคุณ เลยอุ้มท้องพวกเรามาเป็นเวลากี่เดือนลูกแต่ละคนถ้าเร า, เาไม่งงเง่าเตาตุนจนเกินไปพวกเราคงจะรู้ได้ว่าแม่แต่ละคนอุ้มทอ้องอุ้มลูกตั้งแต่วันเกิดมาจนถึงวันคลอดกี่เดือนเก้าเดือน10บเดือนเราอุ้มท้องอยู่ในนั้นน่ะเราเคยอยู่ในท้องแม่มาเป็นเวลานมนานถึงขนาดนั้นและถ้าหากว่าพวกเราอุ้ม ก้อนหินนก อ, อุ้มอะไรกลมๆไม่ถึงขนาดเหมือนก้อนหินก็เถอะนะอุ้มท้องกลมๆอุ้มหมอนลูกหนึ่งก็ได้เอาเบาๆก็ได้อยู่ในท้องของเราสักสองสาวันเนี่ยไม่ให้ออกเลยเนะี่ยพวกเราจะมีความอึดอัดอย่างไรไอ้อันนี้กันพ่อแม่นับว่าแม่ของเราทุกคนอ่ะได้อุ้มท้องเรามาถึงแปดเก้เดือนท่านอดทนขนาดไหนสิ่งเหล่านี้พวกเราควรจะสำเนียกสำนึก คิดเอาไว้เหมือนกันนะสรุปแล้วก็คือแม่เป็นผู้มีบุเป็นบุคคลสำคัญสำหรับลูกๆทุกคนเพราะนั้นท่านคลอดออกมาแล้วท่านก็ได้เลี้ยงดูพวกเราจนเป็นใหญ่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่เพราะนั้นบางท่านบางคนได้รับความอดอบอุ่นจากพ่อแม่ตั้งแต่วันเกิดบางทีเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย บางทีละเมอเพอ้อฝันนะขาดสติละเมอเพอ้อฝันทั้งที่ฟันหลุดพอแรงแล้วอายุแก่พอแรงแล้วจังเรียกถึงแม่ดเอยถ้าอยู่โรงพยาบาลคงจะได้ยินนะหลวงพ่อก็เคยได้เห็นได้ยินนะเออแม่เออช่วยผู้ฆ่าโดยเทินแม่เออช่วยผู้ฆ่าโดยเทออิะทั้งที่ตัวเองผมหงอกผมขาวจนฟันหลุดแล้วยังละเมอเพอ้อฝันถึงแม่เพราะอไรแสดงว่าแม่ต้องเป็นผู้ มีพระคุณยิ่งในหัวใจของเขาให้ความอบอุ่นอย่างยิ่งในหัวใจของเขาเมื่อตกทุกข์ได้ยากขึ้นมามีความทุกข์ขึ้นมาในจิตในใจเขาละเมอเพ้อถึงพ่อถึงแม่พ่อแม่เอ้ยช่วยผู้ฆ่าโดยเธอเนี่คือวัดสรุปแล้วก็คือไม่มีใครที่จะช่วยตัวเองได้ในขณะที่ตกทุกข์ได้ยากถึงขนาดนั้นแต่ทักเขาก็ลืมคิดว่าพราะเขาขาดสติ เขาละเมอแต่ตามไม่จริงใครจะไปช่วยใครได้ถึงขาวเช่นนั้นแล้วตัวเองนะช่วยตนเองอัตหิอัตโนนาโถงั้นนะโกหินาโถปรโรสิยาตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นะอันนี้ถ้าเรามีสติเราต้องคิดอย่างนั้นแต่นี่เราช่วงนั้นมันขาดสติและลึกถึงแม่พ่อให้มาช่วยระดับระงับทุกข์ให้ตัวเองแต่มันระงับไม่ได้แร้ มรณะภัยเข้ามาถึงแล้วมันก็ต้องไปตามการของเขาอันนี้คือที่พูดมาทั้งหมดนี้เป็นกล่าวเป็นกล่าวถึงระลึกถึงพระคุณของแม่แม่ให้ความอบอุ่นกับลูกจนถึงเท่าแก่ชราฟันหลุดผมหงอกเวลาจะล้มหายตายจากโลกละเมอเพ้อฝันก็นยังคิดถึงแม่แอสรุปแล้วคือสรุปแล้วคือแม่ให้ความอบอุ่นอย่างพอนั้นพวกเราทุกๆคน ขณะนี้ยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวเนี้ยทั้งเป็นเด็กทั้งเป็นหนุ่มเป็นสาวเอถ้าหากว่าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ถึงท่านจะดุด่าว่ากาวอย่างไรก็คือพ่อแม่ของเราเราก็จะต้องดูแลให้ความอบอุ่นท่านาตามใจของท่านบ้างอย่าไปตามใจเรามากจนเกินไปถ้าสิ่งไหนก็ตามถ้าหากว่าผิดใจเราเราก็ควรจะทําความเข้าใจกับท่านถ้าหากว่าท่านไม่ ยอมรับฟังเราก็พยายามทําใจยังไงสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องอยู่ในจิตในใจของเราเนะ่ะจะไปโกดโกโมโหโกธาอลาวัตต์ตีโพยตีพายจนถึงเอตีพ่อตีแม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่สิ่งเหล่านั้นมันไม่ถูกต้องทั้งหมดนั่นแหละผิดว่างั้นเถอะให้เราเระลึกถึงพระคุณของท่านอยู่เสมอเพราะนั้นท่านในหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าท่านว่าพ่อแม่ เป็นบุพก า, ารย์เป็นอาจารย์คนแรกของบุท ธ, ธิดาเราเกิดมาคนแรกใครเป็นคนสอนพ่อแม่เป็นคนสอนก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่เป็นคนสอนนอนแ บ, บกเบาขึ้นมากินยังไงนอนยังไงขับถ่ายยังไงพ่อแม่เป็นแม่เป็นคนเลี้ยงพ่อก็เป็นผู้อยู่วงนอกหาสเสบียงส่งให้แม่เพื่อจะได้เลี้ยงลูก ลูกก็ต้องแม่ก็ต้องดูลูกมาตลอดพวกเราท่านทางหลายก็เป็นอย่างนั้นแหละเออเหมือนกับพวกเราเห็นเด็กนั้นไม่แพ้กันพอเราเป็นเด็กก็เป็นอย่างนั้นแหละเออขี้เยี่ยวอะไรก็ไม่รู้จักจากนั้นพ่อแม่แม่กสอนบอกกล่าวจนเป็นเด็กขึ้นมาเมื่อเป็นเด็กขึ้นมาพอเป็นลูกเดียงสาภาวะพ่อแม่ก็ส่งเข้าโรงริ่โรงเรียนประครบประงมไปส่งไปเสียรับ มาก็เลี้ยงดูจนเด็กเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาปถมมัธยมปริญญาตรีโทเอกกีดความสามารถอันนี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่จะต้องได้ดูลูกของตัวเองมาตลอดเพราะนั้นเมื่อเป็นใหญ่ขึ้นมาเรารู้เรียงสาภาวะเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เราควรจะจำเนียกสำนึกว่าสมัยเราเป็นเด็กนั้นเป็นยังไงจนมาถึงบัดนี้บางคนไม่เป็นอย่างนั้น เลี้ยงลูกขึ้นมาไม่รู้จักโตงอแ ง, ง, งอยู่ตลอดเอ า, าแต่ใจใจตัวเองอยู่ตลอด เ, อเดียวก็หาว่าพ่อแม่รักไม่รักตนเองบางรักคนนั่นบางรักคนนี้บงังจะให้พ่อแม่รักทุกคนได้ยังไงมัน เ, เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นสิทธิ์ของท่านาถ้าว่าใครทำดีนิสัยดีมารยาทดีพ่อแม่ท่านก็อยู่ในจิตในใจของท่านเหมือนกันเพราะท่านก็มีกิเลส จะให้เสมอกันนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเราให้สํานึกให้รู้จักสรรพสัตยานของมนุษย์แต่เราก็ยังรักคนก็ยังรักไม่เสมอกันจะให้พ่อแม่รักพวกเราเสมอกันเป็นไปไม่ได้แต่ถึงอย่างไรท่านก็รักท่านมีเมตตารักทุกคนแต่ให้เสมอกันนั้นหลวงพ่อว่าเป็นไปไม่ได้เพราะหลวงพ่อก็มีพ่อมีแม่เหมือนกันได้อีกอย่างหนึ่งหลวงพ่อก็มีลูกศิษย์ลูกหามีอกตนญาติโยมเหมือนกันจะให้เสมอกันนั้นเป็นไปไม่ได้ แต่ว่าความรักความเมตตาความสงสารนั้นอยู่ในใจมากน้อยยังไงแค่ไหนอยู่ในใจของเราเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนเราจะให้ความรักเคารพยังไงแค่ไหนอันนี้ก็คือในอยู่ในจิต ใ, ใจของพวกเราทุกๆคนเพราะนั้นพวกเราจะไปกาจัดหรือว่าไปขีดวงว่าพ่อแม่ต้องรักเราคนเดียวเท่านั้น อย่างนั้นคงเป็นไปไม่ได้ เ, เพราะนั้นพวกเราทุกๆคนนะอันนี้ให้รู้จักพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วให้การศึกษาเราแล้วเราจะเดินไปทางไหนเรามีขาสองแขนสองสมองหนึ่งทรัพยากรในโลกเนี่ยมีมากมายสำหรับผู้หมั่นขยันอดทนเราในในานามนั้นอะ่ะเออ คนหนึ่งเป็นผู้ส่สแสวงหาทรัพย์ในโลกเนี่ยเพราะฉนั้นเราต้องวิ่ ง, ว, งวิ่งเต้นของขวัญขนขวายในการศึกษาของเราให้เทียบเท่ากับเขาถ้าว่าเขามั่นขยันอดทนเขาก็ต้องสองแสวงหาทรัพย์ได้ถ้าเราขี้เกียจขี้ค้านอ่อนแอมีแต่อยู่มีแต่กินมีแต่ใช้ก็จะไปสองแสวงหาทรัพย์ได้อย่างไรยศถาบรรดาศักดิ์ก็หาไม่ได้แต่ถ้าหาว่าพวกเราหมั่นขยันอดทน รู้จักหารู้จักเก็บรู้จักใช้ทรัพในโลกนี้พร้อมที่จะหลั่งไหลเข้ามาสู่ตัวของเราเพราะนั้นพวกเราทุกๆคนนะที่เป็นเด็กก็าตามเป็นผู้ใหญ่แล้วกว็าตามอย่าไปหวังมุ่งหวังจากพ่อจากแม่จนเกินไปบางทีหาที่ไหนไม่ได้ลูกลูกบางคนนะไม่ใช่ทุกคนลูกบางคนพอพ่ อ, พอแม่เลี้ยงมาแล้ว ตัวเองก็แต่งงานมีครอบครัวแล้วไม่สามารถที่จะเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวของตัวเองได้และก็แบ่มือขอเงินขอทรัพย์มรดกจากพ่อจากแม่จากนั้นก็อารวาสในพี่น้องทะเลาะเบาะแวฝงกันแก่งแย่งชิงกันฆ่าชิงกันในที่สุดก็จะฆ่าพ่อฆ่าแม่อีกต่างหากอันนี้หลวงพ่อว่าไม่สมควรอย่างยิ่งไม่ถูกอย่างยิ่งเพราะว่าพ่อแม่นี่มีสิทธิ์ที่จะเลี้ยงพวกเรา พวกเราขาสองแขนสองสมองหนึ่งพวกเราก็ะสุดแสวงหาทรัพย์ในเมื่อเราแต่งงานมีลูกมีลูกขึ้นมาเราก็ต้องเลี้ยงลูกของเราไม่ใช่จะให้พ่อแม่เลี้ยงหลานเ อ, อเป็นหน้าที่ของเราถ้าเราไม่มีความสามารถเราก็ไม่ควรจะแต่งงานที่จะให้มีลูกมีเต้าแต่นี่เมื่อกเรามีความสามารถจึงแต่งงานเพราะแต่งงานขึ้นมาก็เป็นสิทธิ์ของเราที่จะต้องดูแลลูกของเราเพราะว่าท่านเลี้ยงเรามาพ่อแม่เลี้ยงเราเนี่ยท่านให้ ในทรัพย์สมบัติเรามีอยู่มีกินจนเป็นผู้ใหญ่ในเมื่อเราเลี้ยงลูกของเราเราก็ต้องเลี้ยงให้เขาให้อุดมสมบูรณ์เหมือนกับพ่อแม่เลี้ยงเรามาฮไม่ใช่ว่าเราจะไปแบ่งแย่งเอามารดกจากพ่อจากแม่มาเพื่อเลี้ยงลูกตัวเองอย่างนั้นหลวงพ่อวักไม่ถูกอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆกท่านนะะเมื่อได้ยินเรื่องของหลวงพ่อเพราะว่าหลวงพ่อวัอนนี้พูดเรื่องวันแม่แห่งชาติลูก ควรจะทําอย่างไรกับพ่อแม่ควรวางตัวอย่างไรกับพ่อแม่ในหลักของพุทธศาสนาทิศทันวัดทิศมีอยู่หทิศทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาทิศเบื้องหลังบุตรภรรยาทิศเบื้องทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องต่ํา คนรับใช้ลูกน้องทิศเบื้องบนสมณะพรามครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือคืออยู่บ้างสูงแต่นี้ทิศเบื้องหน้าเนี่ยบุตรควรจะทำตัวอย่างไรท่านบอกว่าเมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำลงวงศกุลประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดก เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือหน้าที่ของบุตรธิดาเมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิธจธุระของท่านดํารงวงศุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มะะดรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่าน อ, าอันนี้คือหน้าที่ของบุตรธิดาแทานที่มอบพ่อแม่ ค่าถ้าเราได้เป็นพ่อเป็นแม่ของลูกเราควรจะทําตัวยังไงแนะนําดีให้เรียนดีห้ามมาให้ทําความชั่วพ่อแม่นะห้ามไม่ให้ทําความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีให้เรียนศิลปะวิทยาหาภรรยาที่สมควรให้มอบทรัพย์ภห้ในสมัยคือ ถาเนี่เป็นลูกผู้ชายนะถ้าเป็นลูกผู้หญิงก็นั่นน่ะเปลี่ยนแปลงไปตามอัตภาพห้ามไม่ให้ทําความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีให้เรียนศิลปะวิทยาใครก็ส่งเสียให้เรียนหนังสือว่ากั้นอหาภรรยาที่สมควรให้มอบมอบทรัพย์ให้ในสมัยในเมื่อตัวเองเฒ่าแก่ชรามาแล้วก็เออเอาทรัพย์สมบัติของพ่อของแม่มีเท่านี้แล้วนะอแบ่งแจกกันเอทําพินัยกรรมให้ะ อันนี้คือมอบทรัพย์ภายในสมัยถ้า ย, ยังไม่ถึงขนาดนะั้นเออมอบภัยธรรมมาค้าขายอันนี้คือหน้าที่ของพ่อแม่หน้าที่ของลูกก็อย่างที่กล่าวเบื้องตน้นหน้าที่ของครูบาอาจารย์มันมีหน้าที่หน้าที่ทั้งหมดนะั่นอันนี้วัดทิศทั้งหกถ้าใครทําถูกหนอมน้อมทิศทั้งหปฏิบัติในทิศทั้งหถูกต้องมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะมีแต่ความอยู่เย็นเป็นสุขนะนะั่น แต่ถ้าว่าทำกับทิศ ท, ทั้ง6ไม่ถูกนะลูกกับพ่อกับแม่ก็ทะเลาะกันแหมลูกกับพ่อกับแม่ทะเลาะกันครูบาอาจารย์ก็ไม่เห็นความเคารพหมู่พเพื่อนก็ไม่มีบุตรภรรยาก็ทะเลาะกันครูบาอาจารย์สมณชีพพามก่อไม่เห็นความเคารพท่านเบาไพ่ที่เป็นลูกน้องก่อนอไม่ให้ความอบอุ่นแก่เขาอันนี้แปลว่าข า, ขาดขาดคารวะเรีอกขาดความนอบนอบ้อมในทิศ ท, ทั้งห มีแต่ความเจ็บหายมีแต่ความไม่เจริญรุ่งเรืองในชีวิตเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะหลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นถึงได้เข้ามาการาบครวะองค์หลวงตาและก็เป็นวันแม่แห่งชาติแล้วก็หน้าที่บุตรธิดาควรทำตัวอย่างไรนะแต่ถึงยังไงก็าตามหลวงพ่อขอย้ำอีกว่าพวกเราทุกคน ก่อนหลับก่อนนอนควรจะไหวพระสวดมนต์ซะก่อนและลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นก็ควรจะทำภาวนาทำจิตให้สงบอย่างที่หลวงองหลวงตาท่านพูดเมื่อวานอย่าลืมเนื้อลืมตัวจนเกินไปอย่างน้อยกะไหวพระสวดมนต์นั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบบ้างอย่าให้จิตใจฟุ้งเฟอ้ออย่าให้จิตใจของเราเปล่อยปะละเลยไม่สนใจเรื่องศีลธรรมเพราะ ชีวิตของพวกเราเนี่ยไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้ว่าจะจากโลกนี้ไปเมื่อไรคอยวีซ่ากันอยู่ถ้าหากว่าวีซ่ามาถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นล่ะพวกเราจะต้องเดินทางพราะนั้นการที่จะเดินทางไปสู่ปัโลกภัยภาคหน้านั้นทางว่าใครไม่เตรียมพร้อมเหมือนกับคนไปต่างประเทศโดยไม่พร้อมเขาจับส่งขึ้นไปเลยลงแล้วจะทำยังไงหาเงินไม่ได้ อันนี้ก็เหมือนกันคนไม่มีบุญกับลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องอได้ไปสู่ปลโลกหรือว่าเดินทางแน่นอนไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งเพราะฉะนั้นพวกเราควรจะเตรียมตัวนะเตรียมใจเอาไว้ควรสั่งสมบุญเอาไว้ตายแล้วไม่ศูนย์นะพูดอย่างนี้ได้เลยเมื่อวานหลวงตาเขาพูดว่าตายแล้วจะต้องเกิดอีกในภพภูมิต่างๆาวิญญาณนะตัวใจนั่นแนหะจะไปเกิดปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆ แต่ส่วนร่างกายนั้นแตกสลายตายเป็นสู่ดินน้ำลมไฟไม่เป็นอย่างอื่นแต่ส่วนจิตใจนั้นใครมีบุญใครมีกุศลใครสั่งสมบุญกุศลเอาไว้คนนั้นก็จะไปสู่สุขติไปเป็นเทวดาอินพรหมมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์นนษยที่ดีมีอวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์มีสติปัญญาฉเฉลียวฉะลาดแต่ถ้าหว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยบาปเอากุศลพามาเกิดมาเกิดมาแล้วก็พิกงพิการ อไวย้ยวะบ่าใบาเสียจิตเนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้แปลว่าบาปอากุศลพามาเกิดแต่ถ้าหว่าบุญกุศลพามาเกิดเป็นผู้มีสติมีปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะฉนั้นพวกเราได้เกิดมาในภพนี้ชาตินี้ให้ตรวจตราดูตัวของเราเองทางว่าพวกเราเป็นอย่างนั้นกับแปลว่าบุญพามาเกิดก็ควรจะสั่งสมบุญต่อไปเห็่ไหมว่าเราไม่สั่งสมบุญไว้ไว้นะ บุญก็หมดได้เหมือนกันนะบุญหมดว่างั้นเถอเหมือนกับเราทำไร่ทำนาใส่ยุ้งใส่สางไว้อย่างนั้นอนะ่ะถ้ามีข้าใส่ยุ้งใสสางไปแล้วปีนี้กินปีหน้าไม่ทำต่อสองสามปีมันก็หมดได้เหมือนกันแต่ถ้าเราทำมากมากมันก็ได้นา น, านหน่อยแต่ถ้าเราทำน้อยเหือ น, น ป, ปีต่อปีปีชนปีอันนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหะถ้าหาว่าพวกเราไม่สังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจ ต่อมาอีกในชาตินี้ไม่ได้สนใจมีแต่หากินใส่ปากใส่ท้องเป็นวันวันไปแล้วก็จบไปไม่ได้เสาะแสวงหาคุณงามความดีไม่ได้เสาะแสวงบุญกุศลไม่ได้ให้ทานรักษาศิทิ์ภาวนาอยู่เป็นวันวันกินเป็นวันวันไปแล้วก็จบบุญกุศลหมดเหมือนกันนะเกิดพหน้าชาติหน้ า, เ, าเมื่อเขาส่งไปต่างประเทศแล้ว น, ะวนะววนั่นแหละโตโตเตเตละบาดตกทุกข์ได้ยาก เพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะที่อดซาพยายามมาจากแดนใต้ภูเก็ตพังงาสุพรรณหลายแห่งที่มาเมื่อวานกับมาเพื่อเสาะแสวงบุญกุศลสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตสู่ใจเพราะนั้นพวกเราใพยายามทําอย่างนี้แหละกลับไปถึงบ้านถึงเรือนแล้วก็ให้ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาเห็นพระสงฆ์มาบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านเรามีกินเรากินทุกวันเราทานทุกวัน เราก็ควรจะใส่บาตองค์หนึ่งสององค์ก็ได้เว้นวันสองวันใส่ก็ได้หรือใส่ทุกวันพระก็ได้หรือใส่ทุกวันก็ยิ่งเป็นบุญเป็นกุศลพราเรากินทุกวันเรากินทุกวันเราก็ควรจะทําบุญทุกวันถึงจะมากจะน้อยก็ควรจะทําบุญแต่บางคนก็บอกว่าเออไม่มีพระนี่นะจะทํำยังไงแต่ถ้าว่าเรามีความใส่ใจมีความสนใจนะเราก็พร้อมที่จะทําไดเออ้เราเอากระปุกหมูหมากากกไไไอะไร็ด้ เออวันนี้เราจะใส่บาทหลวงตามหาบัวเวย้ยอา่เาเอาเราเอาหรียญเราไปซื้ออาหารวันละเท่าไหร่วันละห้าบาทวันละสองบาทเออวันละกี่บาทวันละสิบยี่สิบาทวันละร้อยบาท อ, อ่าเราก็ใส่ยัดใส่กระปุกไว้เลยเออใส่บาทหลวงตาเนอประจําวันอะาพอถึงเดือนมาก็ทบกระปุกมากเอาส่งมาถวายหลวงตาเอออาหารบิณฑบาตของหลวงตาให้หลวงตาได้ ใช้ให้เกิดประโยชน์ล้นแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลทางนั้นทางเรามีปัญญาที่จะทําบุญนะทางว่าเราไม่ใส่ใจก็อย่างว่านะัา่นอยู่เป็นวันวั น, วนกินเป็นวันวันอายุก็แก่เท่าชลาไปเรื่อยผลสุดก็ล้มหายตายจากโลกนี้ไปเราก็ไม่มีบุญไม่มีกุศลเพราะนั้นการสงแสวงบุญกุศลก็บุญกุศลจะเกิดได้ก็เพราะผู้มีปัญญาทนะางว่าเราไม่มีปัญญาบุญกุศลก็จะไม่เกิด เพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้พวกเราจะเดินทางแน่นอนไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งตอนนี้ไปหลวงพ่อได้พูดเสียยืดยาววันนี้สำหรับพี่น้องทางไกลได้มาพบมาเจอกันต่อไปนี้ก็รับพร อ, อนุโมทนาให้พร อ, อุทิศส่วนกุศลนา